พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าท่านทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนในเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าของเราเนี่ยนะดิ้นรนก็เพราะดิ้นรนเพราะนรนที่ยึดถือนะเหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยู่ในน้ำน้อยที่มีกระแสสิ้นไปนะนรชนเห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ทำซึ่งตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายพึงเป็นผู้ไม่ยึดถือว่าของเราประพฤติไปเนี่ยนะที่บอกว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่ในวัตถุที่ยึดถือว่าของเราเหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยู่ในน้ําน้อยอันนี้ก็ประกาศอาโทษประกาศอาทีนวะเนี่ยนะว่าโอ้ผู้ที่ยึดถือนี่มันดิ้นรนจริงๆเนี่ยนะมันดิ้นรนมันเร่าร้อนกวนกวายเมื่อเห็นโทษอย่างนี้ก็ไม่ทําตัณหาก็คืออย่าไปอย่าสร้างตัณหานะไม่ก็แปลว่าละตัณหาเห็นโทษในวัตถุกามทั้งหมดอย่างที่กล่าวไปก็ละสมุทัยแล้วก็ไม่ยึดถือ ทั้งหมดนั้นว่าเป็นของเราที่จะไม่ยึดถือได้ก็ต้องไม่ยึดถือด้วยมรคนั่นแหละซึ่งพระสารีบุตรท่านอธิบายขยายความว่าคำว่าท่านทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนในวัตถุที่ยึดถือว่าของเราเนี่ยนะก็แบ่งความยึดถือของเราเป็นสองอย่างด้วยกันคือยึดถือด้วยตัณหากับยึดถือด้วยทิฏฐิเนี่ยในความยึดถือพวกที่ยึดถือด้วยตัณหาก็คือยึดถือ คือทำวัตถุให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นผนกะกกำหนดถือเอายึดถือว่าของเราด้วยส่วนแห่งตันหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าของเราซึ่งมีวัตถุด้วยประมาณแห่งตันหาว่าเท่านั้นนะจัดสัดแบกอะไรกว่าจัดสารบันส่วนแบ่งกันเบ็ดเสร็จเลยนะว่าสิ่งนี้ของเราสิ่งนั้นของเราสิ่งมีประมาณเท่านี้ของเราสิ่งมีประมาณเท่านี้เป็นของเราของเรามีประมาณเท่านี้ นี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสนี่โพธภะอ่านะอันนี้ของเรานะนี่เครื่องลาดนี่เครื่องนุ่งห่มของเรานี่คนงานของเราอ่ะนะนี่ถาดนี้ทาสีนี่แพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลานาธิดินเงินทองบ้านนีคมราชธานีแว่นแหวนชนบทช้างข้าวคลังข้าวว่าเป็นของเราอ่นะยอแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นของเราไปหมด ย่อมยึดถือว่าเป็นของเราแม้ซึ่งแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้นนะนะบางเจ้ามันจะเอาแผ่นดินทั้งหมดเป็นของมันนะเช่นใครอะอเล็กซานเดอร์มหาราชอย่างงี้ยนะจะยึดเอาแผ่นดินทั้งหมดนะเจงกิสคารเนะี่ยก็จะเอาแผ่นดินทั้งหมดอนะเรก็มีตั้งมากนะที่ยึดตั้งใจจะครองแผ่นดินนะแต่ว่าโดยมากก็ทําไม่ค่อยสําเร็จนะตายไปก่อนคนพวกนี้จะดิ้นรนด้วยอํานาจตันหาตลอดจนถึงตันหาวิปริตร้อยแปะนะนะก็คือการมาตันหา ภวะตันหาวิภาวะตันหาตันหาสามคูณอารมณ์หกก็เท่ากับสิบแปดใช่ไหมทีนี้ก็สิบแปดอย่างนี้ก็คูณภายในภายนอกสิบแปดบวกสิบแปดก็เป็นสามสิบหกเนี่ยนะคูณที่เป็นอดีตเป็นอนาคตกับเป็นปัจจุบันก็เป็นตันหาร้อยแปดเนี่ยนะพันพวกนี้ก็ยึดถือสารพัด ย, ยึดอ่ะมีอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือในโลกนิหาดูเถอะที่สัตว์ไม่หวงแหนเนะ ไม่ใช่เราอะนะที่สัตว์ทั้งไม่หวงแหนเนี่ยหาดูเธอไม่มีหรอกเห็นไแม้แต่นรกก็ยังมีคนชอบนะชอบแช่งให้คนอื่นตกนรกนะนี่ก็ได้ข่าวว่าคนอื่นตกนรกก็ดีใจอย่างไงนะก็ถือว่าอันนั้นแหละนรกก็ยังเป็นที่พอใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ดีทีนี้พวกที่ยึดถือด้วยทิฏฐิเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยพวกที่ยึดถือว่าเป็นทิฏฐิก็คือยึดถือด้วยสักกายาทิฏฐิ มีวัตถุยี่สิบเนี่ยนะยึดถือว่าเราเอา่ยยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาเป็นของอัตตาเป็นบริขารอัตตาอัตตาแทรกอยู่ในนั้นอะ่ะพวกนั้นอาศัยอัตตาอยู่นะเนก็ยึดถืออย่างนี้เรียกว่าสกายทิฐิแล้วก็มีมิจฉาธิฐิก็ถือว่าทานไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลการทําพุทธบูชาเป็นต้นไม่มีผลการกราบไหว้พระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่มีผลเป็นต้นนะพวกนี้ก็ เป็นมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบปฏิเสธแม้กระทั่งการทำดีทำชั่วกับพ่อแม่นะปฏิเสธแม้กระทั่งว่าผ้าหัน์ไม่มีโรคอย่างเงี้ยเรียกว่ามิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบส่วนพวกอันตาอันตักคาหิกะทิฏฐิก็คือพวกยึดถือว่าโลกเที่ยง ส, สตตทิฏฐินะโลกไม่เที่ยงอุเฉดเนี่ยนะชีพก้อนนั้นสริระก็อันนั้นก็เป็นอุเฉดชีพอันอื่นสริริระการอื่นก็สัสติทิฏฐิพันพวกที่ ยึดถือทิฐิที่สำคัญว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่คติอ่ะนะทิฐิคติหรือว่าทิฐิคตะเนี่ยนะความไปคือทิคติความไปคือทิฐิที่อย่งลงในทิฐิเนี่ยนะรกชัดคือทิฐิกันดานคือทิฐิเส้นน้ำคือทิฐิจาไว้มันรกมากไอ้ทิฐิเนี่ยออกยากใครที่อยู่ในวังวนแห่งทิฐิออกยากกันดานคือทิฐิเนี่ยข้ามยาก เสี่ยนน้าคือทิถิเนี่ยมันปักมันทิมมันแทงและความดิ้นรนแห่งทิถิมันดิ้นนะบางครั้งมันก็เที่ยงบางบางครั้งมันก็ศูนย์น่ะนะทิถิมันพาดิ้นไปด้วยหรือเครื่องประกอบคือทิฐินะทิถิสังโยชน์นะประกอบหรือผูกพันเอาไว้กับภพอ่ะความยึดถือคือทิฐิเนี่ยนะความถือมั่นคือทิฐิเนี่ยนะก็คือยึดมั่นถือมั่นตั้งมั่นอ่ะนะความยึดมั่นความยึดถือทางชั่วทิฐิเนี่ยเป็นทางชั่วเพราะเป็นทางแห่ง อบายทิฏฐิเนี่ยเป็นทางผิดเป็นความผิดเป็นลับที่เดรัจฉีแล้วก็เป็นการแสวงหาโดยผิดความยึดถือวิปริตความถือวิปลาสความถือผิดความถือในสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าแน่นอนถามว่ามิจฉาทิฏฐิอะไรก็คือคนไม่รู้ทิศหรือคนหลงทิศนั่นเองนะคือมิจฉาทิฏฐิคือถ้าไม่รู้ทิศอันนั้นเป็นโมหะถ้าหลงทิศนั้นเป็นทิฏฐินะลักษณะนี้นะอันทิฏฐิเนี่ยมันจะสําคัญตรงกันข้ามหมด พวกหลงทิศก็โดยมากก็หลงตรงกันข้าหมหน่ยมองเห็นทิศ ต, ตะวันออกเป็นทิศ ต, ตะวันตกเห็นทิศใ ต, ต้เป็นทิศเหนือนะทีนี้ถ้าไปเดินตามทิศทีต่ตัวเองเข้าใจจะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะจะก็จะมีความผิดไปเรวยไอ้ที่หลงแล้วเดินไปถูกไม่มีหายากที่หลงแล้วเดินไปสู่เข้าทางวิวัตานะไม่มีหรอกหลงนี่มีแต่ผิดอย่างเดียวไนงะ อันตลอดจนถึงทิฐิหนะทิฐิที่ยึดถือในเรื่องอดีต18ทิฏฐิที่คิดในเรื่องอนาคต44เนี่ยนะพวกนี้ก็เรียกว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยทิฐินนะพระนัยยึดถือว่าเป็นของเราด้วยตั้นหาบ้างยึดถือว่าของเราด้วยทิฏฐิบ้างพระองค์ทิดพรอ ง, รองตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่ในเพราะทิฐิที่ยึดถือว่าของเราคือหมูสัตว์ แม้ผู้มีความหวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่ยึดถือว่าของเราย่อมดิ้นรนคือดิ้นรนเมื่อกําลังชิงเอาบ้างเมื่อเขาชิงเอาไปแล้วบ้างเดือดร้อนใช่ไหมเมื่อถูกคนอื่นเขาแย่งชิงของเราอ่ะนะคุณบุญชูเล่าแหมไปแย่งเออไปเอาผ้าโอ้ยเดือดร้อนดิ้นร้อนกังวนกวาดเลยนะนั่นแหละอย่างนั้นนะเรียกว่าหวาดระแวงอ่ะนะในการแย่งชิงสิ่งที่ถือว่าของเราอ่ะนะยีเะ้เขาจะเอาของเราไปหรือเปล่าเนี่ยนะ แม้ผู้มีความกวาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุที่เรายึดถือว่าเป็นของเราคือนหนึ่งกลัวคนอื่นจะแย่งไปบ้างกลัวสิ่งนั้นมันจะเสียหายไปบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนทุร น, ท, รนทุรายวันไว้เอ็นเอียงกระสรับกระสายไปมาเมื่อวัตถุนั้นนะกําลังแปรปรวนไปบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแล้วบ้าง ท่านทั้งหลายจงเห็นจงแลดูจงตรวจดูจงเพ่งดูจงพิจารณาดูซึ่งหมูสัตว์ผู้ ด, ดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุราย์วันไวเอ็งเอีย ง, ยงกระสับกระสายไปมาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะว่าโอ๊ยพากันกระสับกระสายเดือดร้อนเร่าร้อ น, รอนจริงๆเหมือนอะไรเหมือนฝูงปลาที่ดิ้นรนอยู่ในน้ําน้อยอันมีกระแสสิ้นไปฉะนั้นะปลาสิ้นน้ําอำไหะปลาขาดน้ําอำจะเป็นยังไง บอาว่าฝูงปลาที่ถูกฝูงกาฝูงเหยื่อฝูงนกกระยางจิกฉุดขึ้นกินอยู่ดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไว้เอ็นเอียงกระสับกระสายไปมาในที่มีน้ําน้อยมีน้ํานิดหน่อยมีน้ําแห้งไปอ่ะนะทำไมนี้ก็ไปดูที่ตลาดอ่ะนะที่เขาจะจับขึ้นเคียงทุบเนี่ยนะโอ้ยมันดิ้นพลักพๆักพักตรงนั่นแหละมูสัตว์ทั้งหลายผู้มีความหวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่ยึดถือว่าของเราก็ดิ้นรนเมื่อดิ้นรน ย่อมดิ้นรนเมื่อเขากำลังชิงเอาไปบ้างเมื่อเขาชิงเอาไปแล้วบ้างเป็นผู้มีความหวาระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราก็เลยดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไว้เอ็นเอียงกระสรับกระสายไปมาเมื่อวัตถุนั้นกำลังแปรปรวนหรือแปรปรวนไปแล้วฉันนั้นเพราะฉะนั้นพวกนั้นจะดิ้นรนเหมือนกับฝูงปลาที่ดิ้นรนอยู่ในน้ําน้อยนะในน้ําน้อยหรือว่าเหมือนปลาที่ดิ้นอยู่ในตลาดอย่างนั้นทนะี่เขาเตรียมจะทุบอย่างนั้น นรชนเห็นโทษแม้นั้นแล้วเพืงเป็นผู้ไม่ติดไม่ยึดว่าถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะเมื่อเห็นโทษเห็นโทษก็คือประสบเทียบเคียงพิจารณาตรวจตราทําให้แจ้งโดยอาศะทะอาทีนวะเนี่ยนะในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็ว่างๆก็น่าจะเอามาทําปริญญาบ้างนะที่ยึดถือว่าเป็นของเราเช่นที่เรายึดถือว่าเป็นเสื้อผ้าของเราอะนะ ที่ยึดถือว่าเป็นบ้านของเราเลือกสวนไรน่นาของเราที่ดินของเราบ้านของเราร่างกายของเราสิ่งที่เราทำทั้งหลายนะวัตถุทั้งหลายที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะเอามาทำปริญญามาพิจารณาโดยอาสาทาอาทีนวะจนถึงหานิสรณะสลัดออกจากสิ่งเ่านี้ให้ได้ถ้าสลัดออกไม่ได้ก็แย่อัอ้นคำว่าเห็นโทษก็คือเห็นอาทีนวะเนี่ยนะก็ด้วย ตามเห็นโทษโดยอาทีนวานุปัสนานั่นแหละคําว so ่าพึงเป็นผู้ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยประเพณีไปมีความว่าความยึดถือว่าเป็นของเราก็ยึดถือด้วยตันหากับยึดถือด้วยทิฏฐินะยึดถือตันหาก็เพลิดเพลินเลินยึดถือด้วยทิฏฐิก็เป็นความหลงผิดเข้าใจผิดไปเพราะฉะนั้นนรชนพึงละความยึดถือว่าของเราด้วยตันหาสละคืนความยึดถือว่าของเราด้วยทิฏฐิไม่พึงยึดถือ นะถ้าเราจะไม่ย no, nice ึดนะเราจะเลิกยึดอะไรบ้างเอาถ้าเราจะเลิกนะจะขอเลิกยึดอะไรก่อนคุณชูชจะขอเลิกยึดอะไรนะจะขอเลิกยึดถือว่าเราซึ่งจากสุนะนะขอเลิกยึดตาขอเลิกยึดหูเลิกยึดจมูกเลิกยึดกายเลิกยึดใจนี่แหละก่อนนะนจะไม่ยึดถือว่าเราจะไม่ยึดถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราซึ่ง รูปเสียงกลี่นรสโพธิภาพนะสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุขจีวณ อ, อาหารเสนาสนายารักษาโรค ก, กามาธาตรูปประธาตอรูประธาต์การมาพบรูปประพบารูปภพบสัญญาพบสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกวการาพเจตุโวการาพปัจจวการาพบอดีตอนาคตปัจจุบันรูปอนทัตตสุตะมุตวิญญาตพธรรมเนี่ยนะนะก็คือ รูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังสิ่งที่รู้ น, นะกับอารมณ์ที่คิดไป น, นะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพึงประพฤติไปพึงอยู่พึงเป็นไปหมุนไปรักษาดําเนินให้อัตภาพดําเนินไปก็คือเห็นโทษ น, นะเห็นโทษโดยอาทีนวะเนี่ยนะให้เห็นชัดเสร็จแล้วก็ละความยึดถือซึ่งอายตนะภายในอายตนะภายนอกพบกําเนิดคติวิญญาณทิฏฐินนะละความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นว่าเราให้หมดเรื่องเลยนะ คำว่าไม่ทําซึ่งตันหาเครื iana, ่องข้องเกี <t ark> assim, ่ยวในภพทั้งหลายอย่าไปทําตันหาเครื่องข้องเกี่ยวในภพนะทั้งในกามภพรูปภพอรมป์ภพตันหาเนี่เรียกว่าเครื่องเกี่ยวข้องนะความกําหนัดความกําหนัดกล้าเป็นต้นนั่นแหละคำว่าไม่ทําซึ่งตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายคือไม่ทําตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายคือไม่ทําซึ่งตันหาเครื่องเกี่ยวข้องไม่ทําซึ่งความพอใจความรักความกําหนัด ความชอบใจคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดเสมอไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะในภพทั้งหลายดันั้นก็ว่าตัดความรักตัดความเยื่อใยในภพทั้งปวงเสียเอิดเนี่ยนะตัดความรักความเยื่อใยในตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียเอิดตัดความรักความเยื่อใยความอะไรอาวรนในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพทั้งหมดเสียเอิดเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าของเรา เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยู่ในน้ำน้อยอันนี้ก็ประกาศทุกขสัตว์ใช่ไหมประกาศทุกขสัตย์นรชนเห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่พึงทำาตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพพึงเป็นผู้ไม่ยึดถืออันนี้ก็ประกาศอะไรเห็นโทษนะก็คืออธินวานุปัสนาแล้วก็ไม่ทำความยึดถือด้วยอันนอันนี้นนนนก็เป็นนิโรสัจจะเนี่ยนะเพราะว่าต้องการจะ ด, ดับสิ่งเหล่านั้นโดยส่วนเดียวส่วนคาถานี้ก็คือ ต่อไปนี่นะกาแสดงนิสรณกันเนคขมะคือว่าพระองค์ตรัสว่าทีรชนพึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้งสองเนีย่ยนะกำจัดความพอใจนะตัดฉั้นทราคะในที่สุดนะนะส่วนสุดทั้งสองทำปริญญาในผัสสะแลว้วไม่ติดใจไม่เป็นผู้ติดใจติเตียนกรรมใดไม่ทํากรรมนั้นอยู่จํานวณว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำมันไม่ติดในสิ่งที่เห็น กับสิ่งที่ฟังเนี่ยนะไม่ติดเหมือนกับอากาศนะอันนี้ก็บอกว่าให้กําจัดฉันทราค่าเลยนะก็เป็นนิสรณะนะนิสรณะก็คือการถ่ายถอนหรือเนคขมมะเพราะคําว่าเนคขมมะนี้รวมความถึงโพธิปัจขยธรรมและพระณิพานเรียกว่าเนคขมมะเนะี่ยเพราะฉะนั้นกําจัดความพอใจด้วยโพธิปัจขยธรรมและด้วยพระนิพานนั่นเองแล้วก็ทําปริญญาในภาษะ ที่บอกว่ากําจัดความพอใจในที่สุดทั้งสองอนะบอกว่าภาษะเป็นที่สุดอันหนึ่งภาษะสมุทัยเป็นที่สุดอันสองนะนะกจัดฉันทราค้าในภาษานะเช่นจักรคู่สัมผัสโสตาคานาชิวหากายญสัมผัสมโนสัมผัสเนี่ยกำจัดฉันทราค้าในภนะาษาเหล่ า, า, า น, นี้เถอะเนีะกำจัดฉันทราคาใ ะ, านนนะนาคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เป็นบ่อกเกิดแห่งภาษาเสถียร เ, เนี่ยนะท่า น, นภาษะกับภาษาสมุทัยภาษาก็คือภาษาหกอ่ะนะภาษาสมุทัยก็คืออายตนะทั้ง6นั่นเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็จัดตัดฉันทราข้าในอายตนะภายในและสลายอาตนะทั้ง6เสถียรอดีตเป็นส่วนสุดที่1อนาคตเป็นส่วนสุดที่2เพราะฉะนั้นก็ตัดความรักตัดความพอใจในอดีตเสถียร ขันทั้งหมดในอดีตเนี่ยตัดความเยื่อใยเสถียตัดความรักตัดความอาลัยในอนาคตทั้งหมดเสียรเนี่ยตัดความรักความอาลัยในสุขเวทนาที่เป็นส่วนสุดที่หนึ่งทุกเวทนาเป็นส่วนสุดที่สองนามเป็นส่วนสุดที่หนึ่งรูปเป็นส่วนสุดที่สองมันก็ตัดความรักตัดความพอใจในนามรูปเธออนะอายตนะภายใน6เป็นส่วนสุดที่1อายตนะภายนอก6เป็นส่วนสุดที่สอง เพราะฉะนั้นก็ตัดความรักตัดความอะไรเอาวนในความเป็นไปในวัตฏะคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกเถอะมือนแล้วก็ตัดความรักตัดความพอใจความอะไรในส ก, กายะส ก, กายะก็คือขันห้าสกายะสมุทัยก็คืออวิชาตัญหากรรมอาหารภาษะนามรูปที่ทําให้เกิดขันห้าเพราะฉะนั้นตัดขันห้าตัดตัดความรักในขันห้าตัดความรักในเหตุเกิดแห่งขันห้าเถอะ ทีนี้ที่บอกว่ากําจัดความพอใจนะพอใจก็คือความพอใจคือความใคร่กาหนัดคือความใคร่ความเพลิดเพลินคือความใคร่ในกามทั้งหลายความปรารถนาในกามความเสน่หาในกามความเร่าร้อนในกามความหลงในกามความติดใจในกามห่วงคือกามความประกอบในความประกอบในกามความยึดถือในกามเครื่องกลางกั้นคือกามฉันทะนะนั้นคําว่ากําจัดความพอใจในที่สุด ที่สุดก็คือทั้งภาษะานะภาษาสมุทยัยอดีตอนาคตสุขเวทนาทุกขเวทนานามรูปอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหสกายะสกาย ะ, สกายะสมุทยัยนะมันให้กําจัดกําจัดเฉพาะละบันเทาทําให้สิ้นไปให้มีในภายหลังซึ่งที่สุดทั้งสองนั้นนะนะสรุปว่าให้ตัดฉันทราค่าในทุกขสัตว์เถอะเนี่ยนะพอจริงๆแล้วทุกขสัตว์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นต้นน้นะแล้วก็ตัดเยื่อใยในสมุทัยศัตร์ด้วยนะ กำหนดรู้ภาษาแล้วเป็นผู้ไม่ติดไม่ตามติดใจให้ให้ทําปริญญาในภาษานะภาษาคืออะไรบ้างอะภาษาภาษาก็ถ้าว่าตามทวาร น, นะจักขู่สัมผัสโสตาคานะชิวหากายะมโนสัมผัสนะอันนี้ภาษา6กันะทีนี้ภาษา่านั้นถ้าแบ่งก็แบ่งเป็นภาษาทางปัญจทวารกับมโนทวารภาษาทางปัญจทวารเรียกว่าปฏิฆาสัมผัสสัมผัสทางมโนทวารเรียกว่าทิวจนะสัมผัส สัมผัสทางปัญจทวารเนี่อรับรู้แต่อารมณ์คือรูปภาษาทางมโนทวารเนี่อรับรู้อารมณ์คือนามภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาจริงๆแล้วภาษาทางตาก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามภาษาทางหูก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามภาษาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสาม หรือภาษาที่สัมปยุทธ์ด้วยกุศลอกุศลและอัพยคตาเนี่ยนะคือวิบากกิริยาภาษาที่เป็นกามาวจรูรปาวจรารูปาวจรภาษาที่เป็นสุญยตะอนิมิตะอัปนิหิตะเนี่ยนะภาษาที่เป็นโลกิยะโลกุตระภาษาที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะภาษาถ้ากล่าวตามทวานนะก็คือภาษาทางปาหูจมกูกลิ้นกายใจภาษาถ้ากล่าวทาง ปัญจทวารกับมโนทวารก็เรียกว่าอธิวจนะกับปฏิฆะภาษะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามภาษาเป็นที่ตั้งแห่งกุศลอกุศลและอัพยากตะภาษาที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรภาษาที่เกี่ยวกับวิปนะัสสนาก็คือภาษาที่เป็นสุ ญ, ญตะก็คือสุญตานุปัสสนานะภาษาที่เกิดร่วมกับอนิมิตะก็คืออนิมิตานุปัสสนาอภปนิหิตานุปัสสนา สุญญาตาก็คือเห็นด้วยความเป็นของว่างว่างจากราคาโทสะโมหะอานิมิตตาก็คือไม่มีเครื่องหมายแห่งราคาโทสะโมหะอัปะนิหิตะไม่มีที่ตั้งแห่งราคาโทสะโมหะแล้วก็แยกให้ได้ว่าภาษาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระและ้วก็พิจารณาภาษาที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันนี้โดยการนี่ก็บอกว่าให้ทําปริญญาสามในภาษาให้ทําปริญญาสามในภาษะ ทีรชนย่อมรู้ยิ่งซึ่งภาษาเนี่ยนะด้วยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหาณะปริญญาให้ทําปริญญาสามในภาษะก็คือทีรชนย่อมรู้ซึ่งภาษะย่อมรู้ย่อมเห็นคือพิจารณาย่อมค้นคิดเนี่ยนะวันนี้จะขูดสัมผัสนะคือแยกแต่ละทวาร น, นะวันนี้ภาษาทวานตานี้ทวานหูนี้ภาษะทางจมูกนี้ภาษาทางลิ้นนี้ภาษะทางกายนี้ภาษาทางใจ น, alloy, น, นี้ภาษาทางมโนทวารนี้ภาษาทางปัญจทวารนี่ภาษะเป็นที่ตั้งแห่งสุขนะนี่ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี่ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานี่ภาษาที่เกิดร่วมกับภูษณ์นี่ภาษาที่เกิดร่วมกับอกุศลนี่ภาษาที่เกิดร่วมกับวิบากกิริยานี่ภาษาที่เป็นกามาวจรนี่ภาษาที่เป็นรูปาวจรนี่ภาษาที่เป็นอรูปาวจร นนี้ภาษาเป็นสุญญตเกิดร่วมกับอนัตตานุปัสสนานี้เกิดร่วมกับอนิมิตะเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาหรืออัปนิหิตาก็คือทุกขานุปัสสนานี่นะสุญเตานุปัสสนานิมิตานุปัสสนาอัปนิหิตานุปัสสนาก็คืออนุปัสนาสามนั่นเองภาษาที่เกิดร่วมกับวิปัสสนานี่นะ แล้วก็แยกแวันนี้ภาษาที่เป็นโลกิยะนี้ภาษาที่เป็นโลกุตระภาษาที่เป็นอดีตภาษาที่เป็นอนาคตภาษาที่เป็นปัจจุบันรอบรู้ภาษาพร้อมทั้งปัจจัยอย่างนี้แหละเรียกว่ายาตะปริญญาเนี่ยนะก็คือรอบรู้ภาษะทุกอย่างพร้อมทั้งปัจจัยไม่มีส่วนเหลือนี่เรียกว่าธรรมยาตะปริญญาส่วนตีรณปริญญาก็คือทีรชนย่อมรู้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาซึ่งภาษะ โดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรอนเป็นความลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของชำรุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของหวั่นไหวเป็นของแตกพังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่ไม่ไม่มีที่ต้านทานเป็นของที่ไม่มีที่ซ่อนเร้นเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ เป็นอนาตาเนี่ยเป็นของมีโทษเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งความลำบากเป็นดังเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นของอันเหตุปัจจัยเนี่ยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมานเป็นของมีชาติมีชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นของเศร้าหมองเป็นธรรมดาอ่นะ โดยเหตุเกิดแห่งทุกขโดยความดับโดยไม่ชวนให้มีอาสาทะนะเป็นของมีโทษแล้วก็ควรที่จะสลัดออกนะการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าตีรณะปริญญาส่วนปหาหนะปริญญาก็คือการพิจารณาแล้วก็ละบันเทาทำให้สิ้นทำให้ไม่มีในภายหลังซึ่งฉันทราคะในภาษะก็คือตัดความรักตัดความเยื่อใยตัดความอาัยอาวในภาษะ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายฉันทราคะในภาษะใดเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะนั้นในภาษะนั้นอ่ะจะเป็นของอันเธอละแลว้วมีมูลรากอันตัดขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดุจตาญยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นธรรมดาโดยประการอย่างนี้ชื่อว่าปหานะปริญญาอันส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการทํา ปริญญาในภาษาก็คงเป็นพรุ่งนี้นะเนาะนี่ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นนนนก็